มงกุฎพรยเล่มสี่ตอนที่สอง้ห้าทั้งคู่ตื่นจากพวังขึ้นมาสู่เหตุการณ์ปัจจุบันอีกวาระหนึ่งเมื่อแวดล้อมรอบกายใกล้ชิดอยู่ในขณะ น, นี้เป็นเสียงแหกปากโหร้องและกระโดดโลดเต้นของพรานคู่ใจทั้งสี่คนของเขาเจ้าลิงสีตัวนั่นผุ้เข้ามาณนะที่นี่ได้อย่างไรตั้งแต่เมื่อไหร่คนทั้งคู่ไม่ทราบเลยเสียงที่ดังแหลมแสบกาหูที่สุดก็คือเสียงของบุญคา ชายโยนายรพินกับนายหญิงดารินแต่งงานกันแล้วโว้ยไอคำดีใจเหลือเกินต่อไปนี้นายรพินคงไม่ต้องร่อนเร่พระเนจร อ, อยู่ตามป่าดงให้ทุเรศอีกแล้วฮ่าฮาลูกศิษย์ทั้งสี่คนของเขาลิงโลดเหมือนเต้นโขนอยู่รอบๆกายและเป็นกลุ่มที่ดูเหมือนจะได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากพระเจ้ากรุงมรกฎให้ล่วงล้ำเข้ามาใกล้ชิดคนทั้งคู่ได้ และการก็ได้เป็นที่ปรากฏชัดภายหลังว่าทั้งบุญคำจันทร์เกิดและเสยถูกองค์การรับสั่งนางกำนันให้ลอบเขาไปปลูกกลางดึกนั่นเองโดยมีขุนพลผู้ท่ออรชุนรอคอยอยู่และให้เร่งเดินทางด่วนอย่างเงียบกริบมายังประสาทท้ายอุทยานอันเป็นที่พำนักของฝ่ายเจ้านายเก่านี้เพื่อให้ได้มาพบเห็นและร่วมเหตุการณ์ด้วยโดยฝ่ายนายจ้างอเมริกันและลูกหาอื่นๆทุกคนพากันหลับสนิททั้งหมด ไม่มีใครระแคะระคายของการแอ บ, บลุกขึ้นมาและบ่ายหน้ามาที่นี่ของเจ้าสี่คนที่ถูกแอบปลุกขึ้นมาเหล่านี้เลยทั้งสี่คนโผล่เข้ามาภายในห้องโถงนี้พร้อมผู้เท่าอรชุนในขณะที่รพินกําลังวางมงกุฎไพรลงไปประดับอยู่เหนือศรีรษะของดารินอย่างพอดีเป็นการมาถึงอย่างทันเวลาที่สุดและดูเหมือนจะได้รับคําบอกเล่าให้เข้าใจล่วงหน้ามาจากออรชุนก่อนแล้วครั้นเมื่อมาถึง ก็ลืมตัวด้วยความดีใจพากันพลูเข้ามาห้อมล้อมเจ้าหน่ายทั้งคู่ไว้ส่งเสียงเออะเจียวเจ้ า, จาลั่นไปหมดโดยไม่มีใครขัดขวางสกัดกั้นไว้เพราะทุกคนณที่นั้นต่างก็รู้ใจเพื่อนคู่ชีพร่วมตายทั้งสี่คนของรพินดีอยู่แล้วระพินยังยืนงงมืนมนอยู่ในสภาพอันวุ่นวายของมาดาลูกศิษย์จอมถมนของเขา ส่วนดารินหัวรอเสียงไซตบศิษะเกิดเสยอย่างร่าคร่เอ็นดูส่วนจันและบุญคำซึ่งอาวุโสมากแล้วล่อนจับไหลยคนทั้งคู่เขยา่าฟังให้ดีนะทั้งสี่คนนี่แหละต่อไปนี้หนองน้ำแห้งไม่ได้มีนายรพินคนเดียวแล้วแต่จะมีนายหญิงดารินอยู่ร่วมกับทุกคนที่นั่นด้วยอีกคนหนึ่งชัยโยโยโยโยเจ้าพวกนั้นโห่กันเกลียวต้อนรับ กระโดดโลดเต้นไปพลางท่ามกลางรอยยิ้มของทุกคนที่จับมองอยู่แม้แต่องค์จั ก, กรราษและราชนีเมยานีนั้นอินปล่อยให้เจ้าสี่คนกระโดดโลดเต้นรอบๆตัวรพินและดารินยังไม่รู้จักการลเทศะอยู่อึดใจใหญ่จากนั้นจึงเข้ามาไล่ต้อนให้ถอยห่างออกไปรวมกับพักพวกของตนซึ่งทั้งสี่ก็เริ่มรู้สึกตัวทำหน้าแยแยเมื่อเหลือบมาเห็นแง่ทรายและราชนีเมยานียืนอยู่เคียงคู่กัน บุญคำขยับปากจะร้องทักแงซายแต่แล้วก็รีบตะครุบ ป, ปากตัวเองเสียเพราะหนานอินตบฉาดเป็นเชิงเตือนมาที่ต้นคอทำให้เฉลียวคิดขึ้นมาได้รีบเดินตัวรีบเข้าไปรวมกลุ่มกับพวกลูกหาบทั้งหลายโดยดีบุคคลสุดท้ายที่เข้ามากล่าวเพียงสั้นๆเพื่อแสดงความยินดีคือขุนพลเท่าอารชุนขอให้พรนรารพินและนายหญิงดารินจงครองสุข ในชีวิตวิวาอย่างราบรื่นสันติสุขไปตราบชีวิตจะสิ้นขอขอบคุณต่อท่านผู้เฒ่าอราชุนเป็นอย่างยิ่งเราทั้งสองขอรับพรนนี้ไว้ด้วยความปรีดาดารินตอบแทนให้แก่รพินผู้ตลอดเวลาได้แต่ยืนนิ่งเหมือนคนที่ทำอะไรไม่ถูกแล้วทั้งคู่ก็จับมือกันเดินตรงเข้าไปยังสมเด็จพระเจ้ากรุงมรกนครและราชนีเมยานีที่ยืนประทับ ยิ้มพรายอยู่เคียงคู่กันเมื่อมาหยุดอยู่เบื้องเฉพาะพระพักจั ก, กรราซึ่งยังอยู่ในคราบของแง่ทรายก็ชิงกล่าวขึ้นก่อนด้วยเสียงแผ่วเบาปานกระซิบได้ยินเฉพาะระพินและดารินว่าโดยอิสริยายศเดิมของกษัตริย์อัคนิรุธและมากุฏราชกุมารีจิตรางคนางใต้ฝ่าพระบาททั้งสองพระองค์ไม่จาเป็นที่จะต้องแสดงความเคารพใดๆต่อจั ก, กรราและเมยานี ผู้เปรียบเสมือนอนุชาและคณิษฐาเลยจะอย่างไรก็ตามพระพินก้มศรีรษะลงถวายคำนับขณะที่ดารินย่อกายถอนสายบัวข้าพระองค์ทั้งสองขอพระไทยในทั้งสองพระองค์อย่างสุดที่จะกล่าวได้ขอพระไทยในทุกสิ่งทุกอย่างจักรราชขยิบพระเนตรให้ระพินนิดหนึ่งสนราชนีเมญานีสวนเบาใสรับสั่งกับดารินว่า มงกุฎไพรวงนั้นสวยสง่าน่ารักยิ่งกว่ามงกุฎประดับเพชรของมหาราชนีองใดในโลกนี้ทั้งสิ้นพี่หญิงหม่อมฉันต้องการมงกุฎไพรที่สวมโดยมือของรพินพรานป่าคนนี้เพคะไม่ต้องการมงกุฎเพชรจากเท้าพยามหากษัตริย์องค์ใดทั้งสิ้นดารินตอบเมยานีและทุกคนในมรกตนครก็ ค, รคิดเช่นนั้นคะ่ะพี่หญิง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 รับสังขึ้นกับรบพินพระองค์ทรงกระทำได้ถูกต้องที่สุดแล้วที่ไม่ได้ให้เขาพวกนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยภายในคืนนี้แต่ขอติงสักนิดพระองค์ทรงดาเนินการทุกอย่างด้วยเล่ห์เหลี่ยมลึกลับตามเคยไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยรบพินทูลขึ้นเบาๆแต่เข้าหน้าอิ่มเ อ, อิบไปด้วยความปิติสุขผิดไปจากสภาพที่เคยทุกครั้งจะกราสวนเบาๆก้มเสียง ล, ลงนิดหนึ่ง เล่เหลี่ยมที่ทำให้เกิดความดีงามเล่เหลี่ยมที่กอบขึ้นด้วยจิตบริสุทธิ์ประสงค์ดีย่อมไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใดไม่ใช่หรือผู้กองผู้ไม่น่ารักอ้อยขอโทษทีเดี๋ยวนี้ต้องเรียกว่าผู้กองที่น่ารักไปเสียแล้วขอถอนคำพูดเดิมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจอมพรานจำนวนต่อถ้อยดารดอันฉลาดล้านั้นขอพระราชทานอะไรสักอย่างหนึ่งได้หรือไม่พระเจ้าคะ่ะ เว้นแต่ดาวกับเดือนที่สุดจะเอื้อมาให้ได้เท่านั้นผู้กองที่รักขอให้พิธีวิวาะระหว่างข้าพระองค์กับคุณหญิงดารินณมรกตนครแห่งนี้สิ้นสุดลงเพียงแค่คืนนี้อย่าได้จัดพิธีอื่นใดให้เป็นที่เอกเกเิกอีกต่อไปเลยเพียงแค่นี้ก็เป็นพระมาหากรุณาที่คุณล้นเกล้าแก่ข้าพระองค์ทั้งสองแล้วเช่นนั้นหรือ จงไปปรึกษาหารือกันเองระหว่างเจ้าภาพของฝ่ายเจ้าสาวเถิดเห็นสมควรอย่างไรเราจัดการให้ได้ตามประสงค์ทั้งสิ้นจะให้สิ้นสุดยุติรู้กันเองเพียงแค่นี้ก็สุดแล้วแต่หรือจะให้จัดเป็นงานสยุมพรยิ่งใหญ่ขนาดไหนทางเราก็พร้อมและยินดีแต่ถ้าจะว่าอันที่จริงเพียงแค่คืนนี้ก็ครบสิ้นตามประเพณีสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว ในเมื่อผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงท่านยอมอนุญาตและรับทราบ พ, พร้อมทั้งอวยชัยให้พรแล้วเมื่อได้เวลาอันสมควรราชินีเมญานีผู้เท่าอราชุนและเหล่าขบวนสาวสารกำนันในที่อัญเชิญมงกุฎดอกไม้ป่าเข้ามาก็พากันขอตัวปรีกกลับออกไปหมดทั้งขบวนยังมีเจตนาที่จะให้พระเจ้ากรุงมรกรนครประทับร่วมอยู่กับคณะของเชิดาตามลาพัง โดยเหลือทิ้งไว้เฉพาะสางป่าตามเดิมส่วนพลานคู่ใจของรพินทั้งสี่คนอันประกอบด้วยบุญคำจันเกิดและเสยเลยถือโอกาสอยู่ภายในห้องโถงแห่งนั้นด้วยไม่มีใครคิดที่จะกลับไปยังที่พักของตนก่อนและก็ไม่ถูกใครไล่ต้อนให้กลับไปครั้นชุดที่เชิญมงกุฎไพรรับกายออกไปหมดสิ้นแล้วรวมทั้งอรชุน ภายในห้องโถงใหญ่แห่งนั้นของปร า, าสาทท้ายอุทยานอันเป็นที่พักของคณะเชษฐาก็เหลืออยู่แต่บุคคลคณะเดิมตามลำพังจะมีเพิ่มขึ้นมาก็เพียงบุญคำจันเกิดและเสยเท่านั้นจะ ก, ก ร, ะราชผินพระพักมายังทุกคนอีกครั้งเอาละครับเหตุการณ์ที่ดีที่สุดที่ผมปรารถนาไว้ก็ได้ผ่านพ้นไปด้วยดีแล้ว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 แงซสายก็เดินตรงเข้าไปยังกลุ่มของบุญคำซึ่งพากันยืนจ้องมองดูด้วยความประหลาดใจในชุดเครื่องแต่งกายของกษัตริย์จักรราศในขณะนี้พร้อมกับร้องทักในสำเนียงสุ้มเสียงอากับกิริยาของแงซสายว่าไงาลุงคาน้าจันแล้วก็เจ้าเกิดเจ้าเสยตอนนี้ข้าคือแงซสายของพวกเจ้าทั้งหลายแล้วใครนึกอยากจะเข ก, กบาลหรือเตะ ก, ก้นข้าก็เชิญ ทั้งสี่คนยิ้มแย้ๆจ้องสมรวจไปตลอดทั้งร่างนั้นแล้วพากันนิ่งเงียบกริบอยู่ใครจะกล้าเขกกระบาลหรือเตก้นเองเหมือนตะก่อนนี้วะหัวจะได้ขาดปลายบุญคำพูดอู้ยอยู่ในลาคอแทบฟังไม่รู้เรื่องส่วนจันเกิดและเซยไม่กล้าขยับปากพูดอะไรทั้งเส้นได้แต่จ้องดูอย่างชื่นชมแล้วยิ้มด้วยสีหน้าพิกอยู่บุญคานั้นหันไปเขะหัวสางปา คุณนั่งอยู่ใกล้ๆแก้เกอ้อแทนไอ้สางปาเองยังอุตส่าห์เก็บชุดขี้เลีย ง, งเองนี่เอาไว้อยู่อีกหรือข้าว่าเองแต่งตัวเหมือนเดิมอย่างนี้สวยกว่าชุดขุนน้ําขุนนาของเองซะอีกสางปาไม่ตอบว่าอะไรนอกจากคลําหัวป้อยแล้วทําปากมุกบิบเหมือนจะดา่าแง่ทายหัวเราะ อ, อ้าวแล้วฉันละ่ะมีอะไรผิดไปจากแง่ท า, ายคนเดิมของลุงหรือเปล่าเฮ้ย อย่ามาทำกระล่อนก็ฆ่าเหมือนเดิมอีกเลยแง่ทรายข้าอยากเห็นเองเป็นพระเจ้าแผ่นดินมากกว่าที่จะเห็นเองเป็นไอกระเลียงดอยเจ้าเล่เดินทางมาคราวนี้ขาดเองไปคนนายราพินเกือบตายไปหลายครั้งเพราะไม่มีคู่คิดคู่กวนโทโสแต่พรานใหญ่ก็มีตาเท่าจอมสัพปะโดกยังลุงมาด้วยพรานใหญ่ก็คงไม่ถึงเข้าตาจนนักหรอกจริงไมนะ้าจันทร์เกิดแล้วก็เสย เงี้สายสวนมาโดยเร็วจริงพะย่าค่ะทั้งสามคนพองคอตอบขึ้นมาพร้อมกันราวกับนัดกันไว้เงี้สายหัวรอกกั๊กตาขำแย่เขี้ยวหันไปถลึงตาชี้หน้าเจ้าสามคนขยับจะด่าอะไรออกมาแต่แล้วก็ต้องหุบปากไว้เสวนาปราสัยหัวเราะเย้าหยอกกันเป็นที่ครื้นเครงกับเหล่าพรานพื้นเมืองของราพินอันเป็นสหายร่วมตายเก่ายังไม่ถือตัวอยู่ครู่หนึ่งแล้ว แงซ า, ายก็เดินกลับมายัางคณะของเจ้านายเก่าสูดลมหายใจลึกหย่อนกายลงหน้าขัดตามา ต, ตามเดิมและทำหน้าแปลกใจมีอาการล้อล้อเลียนเียนนิดนิดเมื่อเห็นรพินนั่งอยู่ทางหนึ่งและดารินไปนั่งอยู่อีกทางหนึ่งในกลุ่มพี่ๆเหมือนเดิมเพียงแต่มงกุฎไพร ย, ยังประดับอยู่บนศีรษะของหล่อนเหมือนเดิมทำให้แลดูเก๋และสวยงามแปลกตาเป็นอย่างมาก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 ถางั้นผมกลับก่อนแล้วนะพรุ่งนี้ค่อยพบกันถ้าแกลุกขึ้นก่อนที่จะเล่าอะไรให้เราฟังแกถูกเตะอ้าวไหนว่าอารมณ์ดีแล้วยังไงก็แกอย่ามาแย่ให้ชั้นพื้นเสียเสียสิเล่าไปแงซายเรื่องราวมันเป็นไปยังไงมายังไงไอ้เครื่องบินทิ้งระเบิดยักษ์นั่นมันถึงได้มาหล่นอยู่ที่นี่และแกได้ดําเนินการอย่างไรนับตั้งแต่เครื่องมาตกรัฐพินพูดปนยิ้ม ซึ่งน้อยครั้งนักที่ใครจะเห็นเขาพูดในลักษณะเช่นนี้ด้วยลักษณะท่าทีอากับกิริยาและสำนวนถ้อยคำของเจ้าอดีตคนใช้ของคณะเดินทางคนเดิมแงซ า, ายได้เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางการเปิดโสดพร้อมเตรียมสะดับตรับฟังอย่างชนิดไม่ยอมให้ข้อความใดตกหล่นของฝ่ายนายจ้างกล่าวว่าเช้าวันหนึ่งของเวลาประมาณสี่เดือนเศษที่ผ่านมานี้ผมและเมญาณีกับทหารแกลชิด ที่ติดตามไปด้วยประมาณสามหมวดได้ออกไปนมำสการพระแม่เจ้าอุมาเทวียังมหาวิหารแห่งนั้นตามรอบวาระอันเคยปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติศาสนากิจเสร็จสิ้นก็ได้ออกมาจากเทวไลเตรียมพร้อมที่จะกลับเข้าเขตเมืองขณะนั้นเป็นเวลาใกล้เที่ยงวันดวงตะวันลอยอยู่เกือบตรงศรีรษะแผ่รัศมีเป็นวงกลมทรงกรด และแสงแห่งทิวาการอันกระจ่างแจ้งอยู่ตามปกติอันควรเป็นไปนั้นก็สลัวหมุนมัวลงอย่างประหลาดอากาศรอบด้านเป็นสีเทาเงินคลุมเครือดูวิปริตไปกว่าทุกครั้งพร้อมกับแผ่นดินโดยรอบของสถานอันเป็นที่ตั้งของมหาเทวะัยก็มีอาการสั่นสะเทือนเบาๆเหมือนเกิดแผ่นดินไหวฉะนั้นเราพากันยืนมาพิจารณาดูภาวะอันวิปริต ผิดอาเพศนั้นด้วยอาการใคร่ครวนหนักต่อมาช่วงไม่นานเราได้เห็นเงาสีเทาปนดำของยานอากาศขนาดใหญ่โชวผ่านสันเขาด้านตะวันตกมาในระยะที่ต่ําเตี้ยมากไม่มีเสียงของเครื่องยนต์ปรากฏให้ได้ยินเลยเหมือนกับว่าเครื่องจักรกลทุกชิ้นของมันถูกอำนาจบางสิ่งบางอย่างดับสนิทลงหมดสิ้นเมยานีผู้เท่าอรชุนและทหารทุกคน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 มันได้เฉียดผ่านยอดเทวไลไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเกือบชนและเมื่อเลยผ่านก็เอาส่วนหัวและท้องเครื่องส่วนหน้ากระแทกลงกับลานกว้างหลังเทวไลปรากฏเสียงสนัน่นจนแผ่นดินสะเทอนไปหมดเครื่องหักออกเป็นสองท่อนทันทีปีกหักออกไปข้างหนึ่งแต่ไม่ปรากฏเสียงระเบิดไม่ปรากฏเปลวไฟที่ควรจะลุกไหม้ตามมามีแต่กลุ่มควันที่ลอยขมงขึ้นมาเท่านั้น พวกเราเห็นชัดกันตั้งแต่มันร่อนผ่านสันเขาด้านตะวันตกมาจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายที่มันกระแทกลงกับพื้นโดยฐานล้อไม่ได้กลางออกและหักเป็นสองท่อนคาตาทุกคนอยู่ตรงตำแหน่งนั้นระยะมันห่างจากที่พวกเรายืนมาออกไปประมาณเกือบสองกิโลเมตรขณะที่แง่สายผู้ช้าๆชัดเจนมาตามลำดับนั้น ทุกคนเบิกตาจ้องหน้าเาขาคอมิงและฟังอยู่อย่างแทบจะไม่หายใจก็แปลว่านายเห็นชัดกับตาเลยเห็นการหลัดหลดขณะที่เครื่องมาตกอยู่ตรงหน้ารับพินถามเร็วปรืออดีตชาวดงพเนจรคนใช้เก่าแก่ของคณะค้มศรีรษะครับเห็นมันกับตาทั้งสองข้างของผมและอีกห ล, หลายข้างของผู้ที่ติดตามผมไปด้วยในเช้าวันนั้นไม่มีอาการระเบิดซ้า ไม่มีเปลวไฟลุกไหม้ขึ้นเลยชายันซักต่อมาอีกคนหนึ่งอย่างพิศวงไม่มีความจริงมันควรจะระเบิดหรือมิฉะนั้นก็ไฟลุกท่วมซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นลูกไฟคงกระจายมาถึงมหาเทวัลแน่นอนทว่าปรากฏการณ์ที่พวกเราเห็นมันหล่นลงมาเฉยๆเหมือนวัตถุธรรมดามีแต่แรงกระทบกระแทกกับพื้นอย่างรุนแรงจนทาให้ตัวเครื่องหักเป็นสองท่อนเท่านั้น ผมไม่ทราบว่าเครื่องยนต์มันไม่ทำงานมาจากตำแหน่งไหนหรือมันบ่ายหน้ามาจากทิศทางใดก่อนและก็หน้าประหลาดที่ทั้งๆเครื่องยนต์ไอพ่นทั้ง8ดเครื่องไม่ได้ทำงานเลยในขณะนั้นเหตุใดมันจึงร่อนลงมาได้เหมือนเครื่องร่อนมาแบบนั้นเหมือนเหมือนกับว่าเป็นเทวบัญชาของพระมหาเทพให้มันหมดสมรรถภาพในทุกทางของมัน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 แง่าสายหัวเรอะเบาๆและมองไปทางรพินซึ่งขณะนี้กำลังสัดับปรับฟังเรื่องราวอยู่อย่างใจจดใจจ่อเล่าต่อไปสิแง่าสายภายหลังจากเครื่องตกลงมาต่อหน้าต่อตามองเห็นชัดอยู่เช่นนั้นแล้วแกทำอะไรอย่างไรต่อไปเขาเตือนให้แง่าสายพูดต่อกรุงควันและผงธุรีที่กระจายฟุ้งขึ้นมามีไม่มากนะักผมสั่งให้ทุกคนที่มาด้วยขณะนั้นยืนม้าอยู่ที่เก่า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 เพราะตระหนักดีอยู่แล้วว่าภายในดินแดนมรากนาครแห่งนี้มันจะไม่สามารถมีริดเดทอะไรขึ้นมาได้ทั้งสิ้นเท่าที่ฉันพอจะรู้จากอเมริกันพวกนั้นอย่างน้อยก็มีระเบิดนิวเคลียร์สิบเมกะตันทีเดียวนะที่บรรทุกอยู่รัพินร้องออกมาเบาๆแง่าสายยิ้มผมคิดว่าอาจมีมากกว่านั้นซ้ำไปเพียงแต่พวกเขาไม่ได้บอกความจริงแก่ผู้คองทั้งหมดเท่านั้น เฉพาะระเบิดนิวเคลียร์ก็เข้าไปตั้งสีลูกแล้วและยังจรวดหัวรบนิวเคลียร์อีกละ่ะแต่โปรโดอย่าได้ห่วงในดินแดนแห่งนี้มันจะเป็นได้ก็แต่เพียงวัตถุธรรมดาแบบก้อนหินก้อนดินเท่านั้นผมรู้ว่าทุกท่านในขณะ น, นี้เป็นห่วงอยู่ในเรื่องอากาศแตกเปลือกหรืออาการระเหยรั่วของก ร, รมันตภาพรังสีแต่ขอให้ทุกท่านได้โปรโดมั่นใจเถิดว่าเมื่อมันหลุดเข้ามายังดินแดนนี้ก็แปลว่า มันหมดฤิ์ลงด้วยประการทั้งปวงอย่าได้กังวลใจใดๆอีกเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปแง่ทรายเรากำลังอยากทราบเรื่องโดยละเอียดที่สุดเชษฐาและอนุชาร้องเตือนมาพร้อมกันเมื่อเข้าไปถึงซากที่ตกลงมาสงบนิ่งอยู่สิ่งแรกที่ผมจะทำก็คือพยายามปีนเข้าไปในซากเครื่องทิ้งระเบิดยักษ์นั่นเพื่อค้นหาว่ายังจะมีใครรอดชีวิตอยู่หรือไม่ ผมต้องการช่วยพวกเขาเท่าที่จะช่วยได้แต่น่าเสียใจเหลือเกินนักบินสองคนและลูกเรือทั้งหมดรวมทั้งผู้ที่ร่วมอยู่ในขณะนั้นรวมยี่สิบสี่คนเสียชีวิตทั้งหมดไม่เหลืออยู่เลยแม้แต่คนเดียวพวกเขาถึงแต่ชีวิตด้วยแรงกระแทกขณะที่เครื่องหล่นลงมากระแทกพื้นไม่มีแม้แต่คนบาดเจ็บเพื่อรอรับการช่วยเหลือ มีแต่คนที่ตายแล้วตายทันทีจากเครื่องตกหรือตายมาก่อนจากอะไรอย่างไรก็สุดที่จะเดาได้ผมไม่อาจอย่างทราบได้ว่าพวกเขาเหล่านั้นรวมทั้งเครื่องที่ติดอาวุธเต็มอัตราศึกมาจากไหนกําลังจะไปไหนมีปฏิบัติการพิเศษอย่างไรและก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมสนใจจะต้องแสวงหาข้อเท้จริงออกไปด้วยรู้แต่เพียงอย่างเดียวว่า การซ้อนเหลื่อมของการเวลาแห่งจั ก, กรวาลทำให้เครื่องลำนี้พลัดหลงเข้ามาซึ่งนั่นหมายถึงว่าได้สูญหายไปจากโลกภูมิศาสตร์แล้วแล้วนายทำยังไงต่อไปแง่ทรายชา ย, ยันซึ่งนั่งฟังมาตาไม่กระพริบมาโดยตลอดเออถามมาเป็นประโยคแรกเพราะเหตุว่ามันเป็นเครื่องของสหรัฐ ผมรู้ในทันทีนั้นว่าไม่ช้าก็เร็วผู้กองรพินจะต้องมีหน้าที่นำทางออกติดตามแน่นอนเพราะพวกเขาจะค้นหากันเองไม่พบและความผูกพันระหว่างรัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลไทยมีต่อกันอยู่ก่อนแล้วอย่างลึกซึ้งจะอย่างไรเสียผู้กองก็จะต้องหลีกเลี่ยงหน้าที่นี้ไม่พ้นนี่คือสิ่งที่สัมผัสเข้ามาในยานของผม ผมขี่ม้า ก, กลับมายังเมยานีและอรชุนกับพวกทหารที่รอคอยอยู่ก่อนและออกคําสั่งให้ทหารไปทําหน้าที่เป่าประกาศม่ให้ชาวมรกรนครคนใดล่วงล้ําเข้าไปใกล้หรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับซากนกเหล็กเครื่องนั้นมันตกพังสลายอยู่ในสภาพอย่างใดก็ทิ้งให้มันคงอยู่ในสภาพนั้นมาโดยตลอดคงมีแต่ผมเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เข้าไปสํารวจดูในครั้งแรก อ, อย่างที่บอกไว้แล้ว หลังจากกลับเข้ามาถึงราชธานแล้วผมก็ตัดสินใจเด็ดขาดที่จะต้องกระทำอะไรสักอย่างหนึ่งเงซายได้เล่าให้คณะทั้งหมดซึ่งล้อมวงฟังอยู่ในขณะนี้ได้ทราบอย่างกระจ่างชัดต่อไปว่าได้ประกาศแต่งตั้งเมยานีเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในทันทีเพื่อปกครองดูแลทุกสุขของแผ่นดินและไม่มีการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบเลยว่ากษัตริย์จักรธาธิราชมีภารกิจ ที่จะต้องไปกระทำอะไรอยู่ที่ไหนตัวเขาเองได้เข้าประกอบพิธีกรรมถือศีลเคร่งเร้นตัวเองหลบออกมาจากภารกิจบริหารราชการแผ่นดินชั่วคราวนับตั้งแต่วันรุ่งขึ้นนุ่งขาวห่วมขาวเข้าไปบำเพ็ญศีลภาวนาอยู่ในมหาเทวะลัยอย่างเป็นความลับคงมีแต่ราชนีเมยานีอรชุนและข้าทหารใกล้ชิดแท้จริงเท่านั้นที่ทราบได้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับแต่วันที่เครื่องบินมาตกอยู่ในมรกรนครเพื่อเข้ายานส่งกระแสจิตเพ่งไปยังพฤติการต่างๆอย่างโลกภายนอกโดยเฉพาะพุ่งดิ่งตรงไปที่รพินไพรวันและบางขณะก็แยกส่งพลังจิตไปทางด้านดารินวราริ์เพื่อหาทางช่วยเหลือน้อมนำและดลใจในทุกรูปแบบสุดแต่โอกาสจะทาได้ชักนาให้การเดินทางของทั้งสองฝ่าย มีจุดหมายตรงกันคือบ่ายหน้ามุ่งตรงมายังมรกรณนครแห่งนี้โดยอาศัยบารมีของมหาฤาษีโกธัญญะเป็นสื่อนำถ่ายทอดพลังกระแสจิตให้อีกโสดหนึ่งในทุกรอบสามวันเมยานีและอรชุนจะรอบเข้ามาเยี่ยมโดยจัดหาพระาหารผลหมากรากไม้โดยปราศจากเนื้อสัตว์ให้เพียงแค่ประทังชีพในระหว่างบาเพ็ญศีล และจะมากราบทูลให้ทราบถึงเหตุการณ์เป็นไปทั่วๆไปตัวเขาเองไม่ได้ผรากออกจากมหาเทวาลที่เข้ามาบำเพ็ญศีลภาวนาไปอย่างที่ใดอีกทั้งสิ้นนับแต่นั้นเป็นต้นมาประพฤตินตนเยี่ยงนักพรตผู้ทรงศีลมาโดยตลอดอย่างสม่ำเสมอภายในสถานที่อันเป็นแหล่งจำศีล น, นั้นคงมีแต่คำสั่งเท่านั้นที่จะให้เมยานีและอรชุนปฏิบัติการเช่นไร เมื่อทั้งสองฝ่ายเคลื่อนใกล้ถนนพระศิวะเข้ามาคนละด้านเพื่อเป็นการเตรียมต้อนรับจบกระทั่งเมื่อใกล้เที่ยงของวันที่ผ่านมานี้เองซึ่งคณะทุกคนทั้งสองฝ่ายถูกเมยานีนำเข้าไปพบเห็นกับตาภายในมหาเทวไลแง่าสายจึงได้ละจากฌานลืมตาขึ้นและกล่าวต้อนรับทักทายทุกคนดังที่ได้ประจักษ์กันมากับตาทุกคนแล้ว เมื่อคณะของนายหญิงไต่ขึ้นกลางถนนของพระศิวะและบ่ายหน้ามาจนถึงราชฐานมรกฎนครก่อนหน้าฝ่ายของผู้กองรพินผมก็ยังไม่อาจจะละออกจากฌานสมาธิได้เพราะจะต้องส่งกระแสจิตคอยควบคุมการเดินทางขึ้นมาทางด้านหัวถนนพระศิวะของคณะผู้กองรพินต่อไปก่อนแง่าสายกล่าวพร้อมกับหัวเราะน้อยๆในตอนท้าย และนั่นก็กลายเป็นสาเหตุทำให้ฝ่ายของนายหญิงเกิดความสงสัยว่ามาจนถึงใจกลางพระนครแล้วเหตุใดจึงยังไม่เห็นแง่ายหรือจักรราชส่วนเมยานีก็ดีหรือผู้เท่าอรชุนก็ดีผมได้สั่งกำชับห้ามเอาไว้แล้วไม่ให้บอกสิ่งใดแก่ฝ่ายใดทั้งสิ้นถ้าหากว่าจะมีการสอบซักถามมาถึงผมจนกว่าจะถึงเวลาโดยนาให้ได้มาพบเห็นกับตาตัวเองว่า ผมทำอะไรอยู่ที่ไหนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะถูกเปิดเผยออกไปเองแต่จะไม่บอกให้รู้ก่อนหน้านั้นทุกคนที่ฟังอยู่ในขณะนี้อยู่ในภาวะตื่นตะลึงแง่ า, ายเธอมีบุญคุณยิ่งใหญ่ต่อพวกเราทุกคนทุกฝ่ายจนบอกไม่ถูกถ้าปราศจากการคอยชี้นำช่วยเหลือจากเธออย่างลึกลับชนิดนี้แล้วเราทั้งสองฝ่าย คงจะเดินทางมาไม่ถึงที่นี่แน่นอนและคงประสบคราะกรรมพินาศกันไปหมดแล้วเชษฐาเอ่ยขึ้นอย่างซาบซึ้งประทับใจเหลือที่จะกล่าวได้เอื้อมมือมาจับมือของแง่ทรายบีบแน่นชัยยันบอกมาอย่างตื่นเต้นว่าตบะชานและบารมีของนายยิ่งใหญ่เหลือเกินแง่ทรา ย, ายระดับเดียวกับโยคีทีเดียวไม่เสียแรงที่เป็นลูกศิษย์ของมหาฤาษีโกธัญญ พวกเราคนอื่นๆไม่อาจรับรู้หรือสัมผัสได้กับพลังจิตของนายที่ส่งเข้ามาติดต่ออยู่ตลอดเวลาแต่ทั้งทางด้านรับผินและน้อยได้รับชัดเจนเหลือเกินจนบางขณะพวกเราคิดว่าน้อยบ้าเพ้อไปเองสอีกเพิ่งจะมารู้ความจริงเอาเดี๋ยวนี้เองผมเสียงสัตว์อธิษฐานและขอบารมีเทพเจ้าผู้คุ้มครองแผ่นดินนี้มาเป็นเครื่องช่วยด้วยครับ ผมต้องการพบเห็นผู้กองระพินนายหญิงและพวกท่านทุกคนอีกครั้งจึงขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันทรงอิทธิฤทธิ์ทั้งหมดในมรกรกนครรวมทั้งมหาฤาษีโกทัญะญด้วยโดยใช้โทษศพิษราชธรรมที่ปกครองแผ่นดินนี้กับความซื่อสัตย์กตัญญูของผมเป็นที่ตั้งอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นว่าถ้าแม้ว่าผมจะมีบารมีปกครองแผ่นดินนี้ให้บังเกิดสันติสุขตลอดไป และมีวาสนาที่จะได้สนองตอบผู้ที่มีอุปการะคุณของผมก็ขอให้ศีลภาวนาสมาธิของผมจงเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่มหาศาลเพื่อดนและบรรดาให้ทุกท่านหวนกลับมาที่นี่ให้ได้อีกวาระหนึ่งและมันก็สำเร็จผลจริงขึ้นมาเมื่อผมเพียรบำเพ็ญทุกกิริยาชำระล้างดวงจิตให้สะอาดหมดจด ผมมองเห็นการเคลื่อนไหวของผู้กองรพินและนายหญิงอยู่แทบทุกขณะเท่าที่ต้องการจะเห็นแต่ก็ต้องใช้ความบากบัน่นมานะพยายามจนกระทั่งบางขณะแทบจะหมดสิ้นลมปรานทีเดียวโดยเฉพาะผู้กองรพินเป็นผู้ที่ผมติดต่อได้ยากลำบากมากเนื่องจากเป็นผู้มีอาคมและสิ่งที่คุ้มตัวเองสูงมากซ้ายังเป็นคนมีสภาพจิตแข็งสติมั่นคง ยากที่จะส่งกระแสจิตเข้าครอบงําได้ยกเว้นเวลาเจ็บป่วยหรือยามเคลิ้มหลับเท่านั้นและก็เป็นความเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสของผมในการที่จะวิ่งรอบเพื่อพุ่งจุดไปทางผู้กองครั้งหนึ่งแล้วก็หวนกลับไปเพ่งที่นายหญิงอีกครั้งหนึ่งสลับกันอยู่เช่นนี้เพราะจะทอดทิ้งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ไม่ได้ล้วนตกอยู่ในภาวะอันตรายล่อแหลมด้วยกันทั้งคู่เกือบจะตลอดเวลาด้วย ผมยอมรับว่าเหนื่อยกว่าครั้งที่เป็นลูกหบับใช้กำลังหาบหามสัมภาระมาให้พวกเจ้านายทั้งหลายในครั้งนั้นเสียอีกกล่าวจบแงาซสายก็ระบายลมหายใจยาวเฮือกออกมาแต่ก็ยังยิ้มอย่างเปรมปลื่มสมหวังในสิ่งที่ตนเองได้กระทำลงไปแล้วระพินมีความรู้สึกตื้นตันจนไม่อาจพูดอะไรออกในขณะนี้เขาได้แต่มองหน้าแงส า, ายนิ่งเฉยอยู่เช่นนั้น ระกายตาแทนความหมายเกินกว่าถ้อยคําที่จะเอ่ยออกมาได้แงาซายเธอไม่ได้งดงามเฉพาะรูปโฉมเรือนกายและศักสกุลชาติกาเนิดเท่านั้นแต่ยังงามพร้อมทั้งจิตใจด้วยและบุคคลประเภทนี้จะไม่มีอยู่ในโลกสกปรกของภูมิศาสตร์หรอกแต่จะมีอยู่ในโลกของแดนสนธยาอย่างที่เธออยู่ในขณะนี้แหละ ดารินกล่าวขึ้นอย่างแผ่วเบาดวงตาทั้งคู่คลอไปด้วยหยาดน้ำตาแห่งความโสมนัสปราบลืม้มเมื่อพวกท่านทั้งหลายอันลดเป็นเจ้านายเก่าของแง่ทรายต่างก็เป็นผู้ที่มีพื้นฐานของจิตใจที่สูงส่งดีงามเหนือกว่าผุทุชนทั่วไปอยู่ก่อนแล้วเช่นนี้เหล่าท่านก็ย่อมจะต้องได้รับกุศลแห่งความดีงามนั้นสนองตอบอันเป็นหลักของสัทธธรรมหรือตร ก, กะศาสตร์ที่เที่ยงแท้ ว่าแต่มีผู้ใดมีปัญหาคลางแคลงใจที่จะสอบถามแง่ส า, ายอีกไหมครับแง่ส า, ายยินดีที่จะตอบให้ทราบในทุกประเด็นทุกปัญหาทีเดียวนอกเหนือจากสิ่งที่ได้เล่ามาให้ทราบแล้วแงทส า, ายระหว่างที่ทุกคนยังคงพากั น, นงเงียบอยู่ด้วยความรู้สึกนึกคิดต่างๆนั้นระพินกล่าวขึ้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนถึงแม้ตัวฉันเอง จะมีความเชื่อมั่นและแน่ใจอย่างยิ่งว่าระเบิดรุ่จรวดนิวเคลียร์ชนิดใดก็ตามที่เหมือนล่วงล้ำเข้ามาสู่ดินแดนนี้จะมีสภาพเหลือไว้แต่เพียงวัตถุอันไร้ค่าเหมือนก้อนหินก้อนดินด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งแผ่นดินมหัศจรรย์นี้ก็ตามแต่ฉันก็อดที่จะคิดระแวงเป็นห่วงไม่ได้ถ้ามันเป็นอย่างที่ทั้งฉันและแกเชื่อมั่นเช่นนั้นมันก็ดีไปแต่ถ้าหากว่า มันไม่เป็นไปตามที่เราหวังไว้แกรู้ใช่ไหมว่าแผ่นดินมรกตนครทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสัพพชีวิตหรือพืชพันธุ์และสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างจะตกอยู่ในภาวะเช่นไรแงซ า, ายก้มศรีรษะเนิบลงโดยทฤษฎีและโดยหลักเกณฑ์ของเคมีฟิสิกส์มันก็ควรจะเป็นเช่นที่ผู้กองหวาดระแวงนั่นแหละครับและถึงแม้คณะของอเมริกันทั้งหมดเขาก็ได้ปรารบในสิ่งนี้กับผม เมื่อเราสนทนากันตอนหัวข้ามนี้ในงานอุทยาสนสโมสรแต่ผู้กองและทุกคนที่นั่งประชุมกันอยู่ณที่นี้ขอได้โปรโดไว้วางใจอย่างสนิทและเลิกกังวลอย่างเด็ดขาดออกไปเสียทีในเรื่องนี้ถ้าพวกท่านเชื่อว่ามรกรกนครมีอยู่จริงเหมือนดังเช่นที่ท่านได้มานั่งสนทนาอยู่กับแง่ทรายหรือจักรราศในขณะนี้ก็ขอให้เชื่อได้ว่าสิ่งจากโลกภายนอก จะเข้ามาสำแดงฤทธิเดใดๆในแผ่นดินมหัศจรรย์ของพวกท่านแห่งนี้ไม่ได้เครื่องมาตกอยู่ที่นี่พร้อมอาวุธมหาปรัยของมนุษย์โลกภายนอกมันเป็นเพียงสั ญ, ญลักษณ์ที่จะเตือนให้ผมทราบว่าผมจะมีโอกาสได้พบผู้กองอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเพียงแต่ว่าผมจะต้องใช้ความพยายามอย่างขีดสุดเท่าที่เรียนให้ทราบแล้วแต่ผมไม่สะดุ้งสะเทือนว่า มันได้หอบเอาพิษภัยใดๆเข้ามาเป็นอันตรายต่อแผ่นดินของเทพเจ้าแห่งนี้จึงขอให้สบายใจได้พรานใหญ่เม้มริมฝีปากแน่นแล้วผ่อนลมหายใจยาวเยือกเอ่ยออกมาเหมือนจะกล่าวกับตนเองขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกป้องคุ้มครองแผ่นดินนี้จงสกัดริดร้ายของอาวุธนิวเคลียร์ที่ติดอยู่ในเครื่องบินลำนั้นไว้ด้วยเถิด เขา อ, อยาให้มันเกิดผลร้ายใดๆขึ้นแม้แต่น้อยนิดนี่คือสิ่งที่ฉันภาวนามาตลอดนับแต่บังเกิดความแน่ใจว่าเครื่องมันจะต้องมาตกที่มรกรนครนี่อย่างแน่นอนและได้บายหน้ามาที่นี่อีกครั้งเพื่อขอให้เห็นแน่ชัดกับตาเป็นการพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องนี้อเมริกันพวกนั้นได้พูดอะไรกับเธอบ้างระหว่างที่สนทนากันเมื่อตอนงานอุทยานสมสอซ ฉันได้ยินได้ฟังไม่ถนัดนะักเพราะไม่ได้ร่วมอยู่ด้วยตลอดเวลาที่พวกนั้นเข้าไปห้อมล้อมสนทนาซักถามอยู่กับเธอเชต้าเอ่ยขึ้นพวกเขาไม่ได้ถามรายละเอียดอะไรกับผมมากนะักนอกจากแสดงความวิตกกังวลในเรื่องกรรมมันตภาพรังสีที่อาจรั่วไหลออกมาได้และขออนุญาตจากผมไว้ที่จะขอเข้าไปสารวจอย่างละเอียดในวันพรุ่งนี้ซึ่งผมก็อนุญาตให้ทุกอย่าง และก็ได้บอกกับเขาไปแล้วว่าอย่าได้ห่วงกังวลในเรื่องนี้เขาจะตรวจสอบอย่างไรก็เชิญได้ตามสบายและถ้ามีความสามารถที่จะเคลื่อนย้ายมันกลับไปได้ไม่ว่าจะโดยวิธีใดผมก็ไม่ขัดข้องเงาทายเว้นระยะหัวเราะเบาๆอย่างเยือกเย็นแล้วเราจะได้เห็นกันว่าพวกเขาจะมีสติปัญญาจัดการกับซากเครื่องตกและระเบิดพวกนั้นอย่างไร ของมันแน่ชัดอยู่แล้วว่าพวกนั้นจะไม่มีปัญญาทำอะไรกับซากตกและระเบิดพวกนั้นได้เลยนอกจากจะเข้าไปสำรวจดูเฉยๆเท่านั้นและถ้าพวกเขาไม่อาจจะเคลื่อนย้ายมันไปได้นายจะทำยังไงต่อไปชัยยันถามผมก็ยินดีที่จะรับฝากของที่ระลึก ข, ของพวกเขาไว้ที่นี่ในสภาพเช่นที่มันมาอับปางตกอยู่อย่างตำแหน่งนั้นชั่วนิรันดร์การ ไม่บีบบังคับให้พวกเขาจะต้องเคลื่อนย้ายมันออกไปด้วยถ้าพวกเขาไม่สามารถผมได้บอกกับพวกเขาทั้งหมดไปแล้วเช่นนี้ทางด้านฝ่ายประชาชาวมรกนครของผมทั้งหลายก็เช่นกันจะไม่มีใครสนใจเข้าไปยุ่มย่ามใกล้ชิดกับมันเลยทุกคนจะถือเสมือนสะเก็ดดาวชิ้นหนึ่งที่ร่วงลงมาจากฟ้ า, ฟาเท่านั้นไม่มีใครอยากรู้อยากเห็นอยากเอาใจใส่ทุกคนที่อยู่ในแผ่นดินตระหนักทราบตนเองดีว่า พวกเขาทั้งหลายมีสภาพแตกต่างออกไปจากมนุษย์โลกภายนอกทั้งหลายและไม่ประสงค์จะยุ่งเกี่ยวด้วยในทุกกรณีเอาไว้พรุ่งนี้ภายหลังพักผ่อนหลับนอนกันให้เต็มตื่นสะก่อนแล้วเรามาคอยดูกันว่าอเมริกันชุดนี้เขาจะเริ่มปฏิบัติการเกี่ยวกับซาเครื่องตกนั้นเช่นไรซึ่งผมเปิดโอกาสให้แกเขาอย่างเต็มที่เท่าที่เขาบอกกับผม รู้สึกว่าระหว่างที่พวกเขาขอเข้าไปสํารวจอย่างซางเครื่องนั้นจะไม่ยอมให้ใครเข้าไปแกล้ชิดซาเครื่องเลยจะขอเข้าไปเพียงแค่สี่คนของพวกเขาเท่านั้นผู้กองเองหรือนายทหารไทยที่ติดตามมาด้วยหนึ่งคนนั่นก็จะถูกขอร้องให้รอคอยอยู่ในรัศมีห่างออกมาหนึ่งไมล์สิ่งที่พวกเขาอ้างก็คือไม่ต้องการให้ผู้ใดเข้าไปเสี่ยงร่วมกับพวกเขาซึ่งพวกเขามีอุปกรณ์และเครื่องมือพร้อม ผมก็บอกกับเขาว่าเรื่องนั้นวางใจได้คงไม่มีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาระหว่างงานสํารวจหรอกหรือว่าผู้กองอยากจะเข้าไปรู้เห็นด้วยประโยคหลังแงซายหันมาถามหางเสียงสับพยอกทางพรานใหญ่เข้าไปให้โง่น่ะสิเข้าไปทําไมถึงเชิดวุฒนั่นก็เหมือนกันฉันจะห้ามเขาไว้เองไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยดารินบอกมาโดยเร็วเราทั้งหมดจะตามเขาเข้าไปดูที่ซากตกด้วย แง่ทรายแต่จะรออยู่ในรัศมีที่ข้อกาหนดไว้ให้เท่านั้นแง่ทรายเอ่ยขึ้นเรียบๆผมย้อนกลับมาที่นี่อีกครั้งในสภาพของแง่ทรายคนใช้เก่าของพวกท่านทั้งหลายก็เพื่อมาพบปะสนทนาและบอกเรื่องราวทั้งหลายที่อาจเป็นปริศนาอยู่ในหัวใจของทุกท่านให้กระจ่างออกไปรวมทั้งเรื่องที่จะนําพวกอเมริกันไปยังซ่าเครื่องตกนั่นในวันพรุ่งนี้ด้วย มีใครข้องใจที่อยากจะถามอะไรกับผมอีกไหมครับถ้าหมดสิ้นคำถามผมก็จะลากลับไปก่อนสำหรับคืนนี้เพื่อพวกท่านจะได้พักผ่อนกันให้เต็มที่แล้วพรุ่งนี้เราค่อยพบกันใหม่ความจริงเราอยากจะคุยกับเธอตลอดทั้งคืนเลยนะแง่ทรายและชื่นใจไปในอีกลักษณะหนึ่งเมื่อเห็นเธอกลับร่างมาเป็นแง่ทรายของพวกเรามันมีอะไรต่ออะไรอีกมากมายนับไม่ถ้วน คุยกันทั้งคืนก็คงไม่จบแต่เอาไว้โอกาสหลังเธอเพราะถึงอย่างไรพวกเราก็คงจะต้องพักอยู่กับเธอที่นี่อีกนานพอสมควรทีเดียวเธอเองก็คงต้องการที่จะพักผ่อนเพราะการกรากรมคร่ำแคร่งอยู่กับการบาเพา็ญศีลภาวนาติดต่อกันมาเป็นเวลาช้านานเพราะฉะนั้นเธอกลับไปพักผ่อนได้แล้วแงซายเชษฐาบอกมาอย่างปราณี อนุชาและชัยยันก็ก้มศีรษะลงอย่างเห็นด้วยแง่ท า, ายก้มลงเหมือนจะเป็นการคํานับลาพอขยับจะลุกขึ้นฝ่ามืออ่อนละมุนของดารินก็มาแตะที่ไหล่เดี๋ยวน้องชายอีกสักสองคำถามเท่านั้นสำหรับส่วนตัวฉันเองโดยเฉพาะหวังว่าเธอคงไม่รังเกียจที่จะตอบความอยากรู้ซื้อคืนนี้เลยต่อไปจะได้ไม่ต้องถามอีกอดีตองค์ครรภ์ประจาตัวของหลอนยิ้มพลาย เชิญครับพี่สาวก่อนจะพบกับวายาแห่งภูเขานิลาการฉันเป็นคนเดินนำทางคณะทั้งหมดฝ่ายฉันมาฉันว่าฉันตาไม่ฝาดนะที่เห็นเธอในลักษณะของแง่ทรายอย่างที่เป็นอยู่เช่นเดี๋ยวนี้แหละทาหน้าที่เดินนำหน้าหรือนำทางฉันอยู่ตลอดเวลาจงบอกหน่อยสิว่าฉันมองเห็นเธอจริงๆหรือว่าเกิดอุปทานของตัวเองขึ้น คำถามของดารินทำเอาฝ่ายพี่ชายทุกคนหันมาจ้องหน้าหล่อนเป็นตาเดียวเพราะไม่เคยทราบมาก่อนเลยและดารินก็ไม่เคยบอกในเรื่องนี้ผมเป็นผู้นำทางนายหญิงไปเพื่อให้ได้พบกับวายาถูกต้องครับนายหญิงไม่ได้ตาฝาดแต่เป็นดวงตาที่ถูกพลังอำนาจของมหาฤาษีโกทัญะชักนาถ่ายทอดกระแสจิต ข, ของผมให้เกิดเป็นภาพกายทิพย์เพื่อให้นายหญิงเห็นแต่เห็นเฉพาะคนเดียวเท่านั้น ถ้าแม้ว่าผมไม่ได้รับพลังจากมหาฤาษีเข้ามาช่วยอีกแรงหนึ่งผมจะไม่สามารถสร้างภาพมายาของตนเองให้นายหญิงเห็นในเวลากลางวันแสกๆเช่นนั้นได้เลยดารินสูดลมหายใจลึกขอบใจมากที่ให้ความจริงในเรื่องนี้ทำให้ฉันคลี่คลายสิ่งลี้ลับที่มันเกิดขึ้นกับตนเองออกไปได้แล้วอีกคำถามหนึ่งทาไมในทุกครั้งที่เธอส่งกระแสจิตเข้ามาในห้วงฝันของฉัน ฉันถามเธอทุกครั้งถึงระพินเธอไม่เคยตอบฉันให้เป็นที่กระจ่างไม่เคยชี้นาให้ฉันได้เดินทางก้าวสกัดเขาให้ทันระหว่างทางเลยทั้งๆ ท, ที่รู้อยู่แล้วว่าฉันปรารถนาที่จะตามเขาให้ทันเท่าเท่ากับที่เขาก็คงอยากจะได้รับรู้รับทราบว่าฉันกำลังติดตามเขาอยู่ทำไมถึงปิดบังไม่ยอมบอกในทางที่เราจะพบกันได้เลย กว่าจะให้พบกันได้ก็ต้องให้มาถึงมรกรณครนี่เสียก่อนแง่ทรายยิ้มอีกครั้งเป็นยิ้มที่ดารินอยากจะเข้าไปเขย่าคอฟัดเซให้สมแขนอยากที่จะเข้าไปทุบเข้าไปหิกให้สมกับความฉุนแต่บังเอิญว่าแง่ทรายขณะ น, นี้ถอยห่างออกมาพ้นระยะมือเสียแล้วจะทันติดตามเข้าไปก็เห็นว่าไม่สมควรติดขัดด้วยอยู่ต่อหน้าบุคคลอีกหลายคน นายหญิงโปรดจะได้ขัดข้องขุนเคืองใจแงซายในเรื่องนี้มันมีเหตุผลอยู่หลายประการที่แงซายไม่อาจบอกบางสิ่งบางอย่างทั้งทา ง, ทงด้านนายหญิงและผู้กองรบพินได้เพราะการบอกหรือเปิดเผยในสิ่งที่ยังไม่อาจจะเปิดเผยได้นั้นเป็นการผิดศัจจะผิดกฎของจักรวาลที่จะทำให้วิถีชีวิตความเป็นไปตามคันลองของแต่ละชีวิตผันเปลี่ยน เป็นการฝืนลิขิตของพรมอันผู้บำเพ็ญศีลไม่บังควรปฏิบัติและถ้าขืนฝืนปฏิบัติไปศีลก็ขาดเสื่อมชานบารมีเสื่อมสมาธิพรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตนายหญิงและทุกๆชีวิตหาใช่แง่ทรายหรือมหาฤุษีโกธัญะไม่เมื่อประกาศสิทธิจากสวรรค์กำหนดไว้ว่าเมื่อถึงเวลาอันควรเมื่อใดนายหญิงจะได้พบกับผู้กองรพิน ก็ต้องให้ถึงกําหนดเวลานั้นเสียก่อนจะก่อนหน้าย่อมไม่ได้และถ้านายหญิงจะตามทันผู้กองระหว่างทางก่อนจะถึงมรกรนครที่นี่อะไรจะเกิดขึ้นบ้างผู้กองกับนายหญิงจะยินดีปรีดาที่ได้พบกันแต่ฝ่ายนายจ้างใหม่ของผู้กองอันเป็นอเมริกันทั้งชุดคงไม่พอใจแน่สภาพของการเป็นมิตรอย่างที่พบกันในมรกรนครนี่ จะแปลสภาพเป็นการพบอย่างศัตรูทันทีหากพบกันระหว่างทางกลางป่าฝ่ายนายหญิงต้องการตัวผู้กองรพินกลับฝ่ายอเมริกันก็ถือว่าเป็นการสกัดกั้นขัดขวางต่อ ง, งานของเขาศึกชิงตัวผู้กองขึ้นกลางป่าก็คงเกิดขึ้นแน่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะแปลสภาพมาเป็นความดีงามเหมาะสมหมดทุกประการ ต่อเมื่อต่างฝ่ายมาพบกันในดินแดนมรกรนครนี่สภาพที่น่าจะเป็นศัตรูก็กลับมาเป็นมิตรกันได้อย่างที่เห็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเวลาที่เหมาะสมสิ่งร้ายก็จะกลายเป็นดีถ้าผิดเวลาผิดจังหวะแม้แต่นิดเดียวสภาพการจะพันเปลี่ยนไปเป็นตรงข้ามทันทีและนี่คือเหตุผลในข้อที่ว่าเหตุใดแงาซาจึงไม่ได้บอกนาะยหญิงว่าผู้กองอยู่ทิศทางใด ควรก้าวสกัดอย่างไรด้านไหนเท่าเท่ากับที่ไม่ได้เตือนให้ผู้กองหยุดรอไม่ได้บอกให้ผู้กองทราบเลยว่านายหญิงกำลังติดตามมาทางทางที่บางขณะบางระยะเวลาของเส้นทางของทั้งสองฝ่ายห่างกันเพียงแค่ช่วงเหลี่ยมเขาบางไว้เท่านั้นถ้าผู้กองรู้ว่าคณะของนายหญิงตามมาผู้กองก็ไม่มีจิตใจคิดที่จะเดินทางต่อนอกจากตรงเข้าหานายหญิงระหว่างทางกลางป่า ซึ่งนั่นก็แปลว่าผู้กองผิดสัจจะในการเป็นมัคุเทสนำทางของฝ่ายอเมริกันอย่างสิ้นเชิงและเหนืออื่นใดทั้งปวงแงซ า, ายต้องการให้ทั้งผู้กองและนายหญิงได้มาพบกันที่นี่แผ่นดินแห่งหนึ่งอันเป็นที่นัดพบระหว่างที่วาและราตรีการภายหลังจากชดใช้นี้กรรมให้หมดสิน้นด้วยความทุกข์ยากทรมานกันจนสุดชีวิตเข้าใจหรือยังครับ คำพูดของแงสายเนิบนาบเช่มช้าแต่ชัดเจนมีกังวาลทุกถ้อยกระทงความทุกคนฟังแล้วพ่าการตะลึงงานไปอีกครั้งแม้แต่ดารินเองที่ครั้งแรกอยู่ในอารมณ์ค่อนข้างขุนเอาละแจ่มใสชัดเจนที่สุดแล้วสำหรับฉันในที่สุดราชสกุลสาวก็กล่าวขึ้นด้วยอารมณ์ที่ราบรื่นเหมือนเดิมแล้วหันไปทางพรานใหญ่รพินรพินคะ คุณมีอะไรคล้องใจกับแงซทรายอีกไหมถามเข้าเสียเดี๋ยวนี้เลยต่อหน้าพวกเราทุกคนนี่แหละสุภาพบุรุษไพรสั่นซึ้ษชะช้าชา้ชาน้ำเสียงของเขาเรียบราบที่สุดว่าไม่มีคำถามใดๆอีกแล้วสำหรับผมกับแงซทรายเพราะเราสามารถอย่างซึ่งเข้าใจกันได้ทุกแงม่มุมอย่างทะลปปุปรุงหมดสิน้นไม่ว่าเขาจะเป็นแง่ทรายหรือเป็นจั ก, กราทิราช ไม่ว่าอาดีตปัจจุบันหรืออนาคตถ้าเช่นนั้นแงซ า, ายขอลาทุกคนก่อนสำหรับคืนนี้นิทราสวัสด์สำหรับทุกทุกท่านกล่าวเป็นประโยคสุดท้ายเพียงแค่นั้นอดีตคนใช้เก่าก็ลุกขึ้นยืนเต็มส่วนสัตว์อันสูงตระงานแล้วโบกมือเรียกสางปาจากนั้นทั้งคู่ก็าพากันถอยห่างรับช่องทวารออกไปอย่างสงบ